ขอความสุขความเจริญทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวาิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรเรียกว่าสภาสวะสังพระสูตรก็มันโดยลำดับบางกรอระยกตัวอย่างเรื่องคำอธิบายของพระตกถาจารย์ ในประเด็นของคำว่าอาสวะซึ่งพระโ์ก็จริงแล้วท่านก็ยกตัวอย่างพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมาร้อยเรียงให้เราเห็นกรอบของคำว่าอาสวะในการอธิบายนั้นท่านอธิบายทุกประเด็นนะฮะตั้งแต่ประเด็นที่หนึ่งมาจนถึงประเด็นที่7 แต่คงไม่ต้องทบทวนทุก ป, ประเด็นก็จะมาทบทวนถึงประเด็นอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมหรือการกระทำบำเพ็ญความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นเพราะว่าโคดรงนั้นเป็นธรรมะที่เราคุนแต่ว่าเป็นธรรมะระดับยากมาก เราเป็นการอธิบายอาริยมรรคในกรณีที่เป็นองคงธรรมซึ่งจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรู ธ, ธรรมหรือบรรลุ ธ, ธรรมข้อนี้ท่านเริ่มต้นด้วยคาว่าข้อว่าพิจารณาโดยแยบคายแล้วจะเริญนสติสัมโพชงเป็นต้นนะครับความว่า ภิกษุพิจารณาเห็นโทษแห่งการม่อบรมและอนิสงฆ์แห่งการอบรมโดยอบายคือถูกทางแล้วควรจะเจริญสติสัมพัสสูงในบททั้งปวงคือทุกข้ อ, อ, อธรรมะวิจยะวิริยะปิติปสัสสติสมาธิอุเบขาเนี่ก็ใช้โครงสร้างเดียวกัน ในเรื่องโพชฌงนี้โพชฌงเป็นโลกุตระเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะได้บรรลุมรรคสามขั้งต้นคือโซดาปฏิมรรคสัิติคามิมกกรกคกนาคามิมรรคพระผู้มีพระเจ้าทรงประสงค์เอาในที่นี้ก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ภิกษุผู้มีความเพียรครั้งแรกสับสนในโพชฌงทั้งหลาย ขาเจ้าจะอธิบายโพชงเหล่านั้นโดยปะปนกันไปทั้งฝ่ายโลกิยะและโลกุต ร, รักในทีศนี้ก็จะละฝ่ายโลกิยะเอาไว้แล้วอธิบายเฉพาะในายาตที่เป็นโลกุต ร, รักก่อนในเรื่องโพชงนั้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นการขยายความให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีกรอบที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นขององค์ธรรมแต่ละข้อเพราะอะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในการอธิบายคำว่าอ拉หังเนี่ยก็จะหมายถึงสติที่ไพยบูรณ์หรือว่าปัญญาที่สมบูรณ์จึงก็แสดงว่า ในญาของสติสัมโพชฌงกับธรรมวิจญาสัมโพชฌงกตมันก็มีความสมบูรณ์พระพุทธธรรมที่สัตว่าวิเดยนัุ้กุขมัชเชติคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรก็แสดงว่าความเพียรก็นำไปสู่โล ก, กุตรธรรมชั้นสูงสุดได้ หรือพระพุทธธัตติจัดว่าสมาธิพิกเวพาเวทสมาหิโตยถาผู้ตังประชานาติดูก่อนทิกสูตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นพระบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงก็แสดงว่าสมาธิก็นำไปสู่การบรรลุผลสูงสุดได้เช่นเดียวกัน ท่านก็เริ่มต้นว่าก่อนื่นบันดิตผู้ต้องการความแจมแจ้งถึงทราบวินิจฉัยข้างต้นทั้งเจ็ดซึ่งท่านกล่าวไว้โดยนยะเป็นต้นว่าสติปันสัมโพชงองค์ธรรมเครื่องนำผู้ประพฤตปฏิบัติให้บรรลุธรรมหรือวัจสรุธรรมโดยอัฏฐะคือโดยเนื้อหา โดยลักษณะก็คือจุดเด่นที่สามารถสัมผัสได้โดยลำดับและโดยไม่ขาดไม่เกินหมายความว่าบาทีถ้าเกินไปมันก็เกินหรืเลยไปถ้าขาดความพร่องมันก็เกิดขึ้นคือไม่อำานยผลสมบูรณ์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ในพจนเกตประการนั้นชื่อว่าสติพระอัตถว่าเป็นเครื่องระลึกก็สตินั้นมีอาการปรากฏเป็นลักษณะหรือมีการไม่ฟั่นเฟือนเป็นลักษณะก็แสดงว่าอัฐะคือเนื้อหาเนี่ยหมายถึงเป็นเครื่องระลึกที่นี้ลักษณะของสติ ก็คือการที่จิตมันไม่ฟั่ น, น, นเฟือนปัเพือนก็คือสติสัมโมสาคือความหลงลืมเ ล, เลิ่อนเลือเผลอเร่อพรั่งพลาดพระขาดสติสมดังที่พระนาคเษนได้รับสั่งแก่ได้กล่าวแก่พยามิลินว่าหมาบอพิษขุนคลังของพระราชาย่อมจรนัยถึงทรัพย์ สมบัติของพระราชาว่าเงินมีเท่านี้ทองมีเท่านี้สมบัติมีเท่านี้ดังนี้ฉันใดมห า, าพรษสติก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นย่อมจะราไหรทมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเลวประณีตดำขาวและที่เป็นปฏิปักษ์กันเราโดยพิสดาร สติมีสี่อย่างสตินั้นมีการไม่ฟั่นเฟือนเป็นกิจคือเป็นภ า, าลนาชีลักษณะของสตินั้นพระพพระเทรากล่าวไว้ด้วยอำนาจกิจแท้สตินั้นมีความไม่หลงเป็นกิจมีภาวะมุ่งหน้าต่ออารมณ์เป็นเครื่องปรากฏ หมายความว่าตั้งสติระลึกจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นๆที่กำลังตั้งใจระลึกอยู่องแห่งธรรมเครึ่งสัสจจรู้คือสตินั่นแหละชื่อสติสัมโพชฌงค์ทีนี้ท่านอธิบายคำพูดสุ่งองค์ธรรมแห่งการสัจรู้หรือแห่งธรรมเครื่องสัจรู้ ฉะนั้นจึงเรียกว่าโพชฌงค์ท่านอธิบายว่าอย่างไรท่านนิพายไว้ว่ า, วาที่เรียกว่าโพชิเพราะอัตวรรมสามัคคีนี้คือสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปสัสสติสมาธิเบคาซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปตะวะมากมายเช่นความโหดูความฟุ้งซ่าน ความหยุดความประมวลมาการมาสุขการิการนโยกอัตกิลามัฐานนโยกความยึดมั่นว่าขาดศูนย์และเทียงแท้เป็นต้นซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะแห่งมักทั้งฝ่ายโลกิยะและโลกุตระติ่เป็นเหสัตสู้แห่งประยะสาวุกคมสัตสู้คือตื่นจากความหลับด้วยอํานาจกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน คือแทงอริยแทงตลอดอริยสัตว์ทั้งสี่หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั่นเองเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าจเจริญโพชฌงเจ็ดแล้วย่อมจะรู้ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณนันยอดเยี่ยมที่ชื่อว่าโพชฌงเพราะเป็นองค์ของปัญญาเครื่องสัตว์รูกเราคือธรรมะสามขีนั่นเองหมายความว่า ธรรมะนั้นผนึกรวมเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้มันก็ดูแล้วก็แรกร่ายแกราขาดศีลก็สมาธิไปไม่ใช่ไม่ใช่ขาดศีลคือขาดส่วนศีลไปสมาวยามะมีแล้วสมาสติมีแล้วสมาสมาธิมีแล้วสมาทิฐิมีแล้วสมาสังกัปปะมีแล้วขาดส่วนของสมาวาจาสมาขันตสมาชีวะไป แต่ว่าพวกนี้เป็นฐานเบื้องต้นเมื่อข้างบนภาพประการสมบูรณ์เนี่ยอีกสามประการก็สมบูรณ์ตามไปโดยอัตโนมัติอย่างที่ก็ยยกตัวอย่างไว้วันก่อนว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วบรรลุมรรคผลในขณะที่เป็นคือหัดมีอยู่จำนวนมาก ท่านเหล่านั้นไม่ได้สมาฐานศีลแต่ว่าศีลก็แปลว่าปกติกายปกติวาจามันก็เป็นฐานมาจากจิตที่มันปกติเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านฟังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใช้สติสัมมัญญาความเพียรพอจิจใจจะจ่ออยู่กับธรรมะก็เป็น สมาธิเพิ่มขึ้นเวลานี้ทุจริตทางกายทางวิชาทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็อยู่ด้วยสติสมัญญาความเพียรคืออยู่ด้วยในที่นี้ก็คือสติธรรมวิจัยและวิทยาปริมาณของสมาธิก็เพิ่มขึ้น ทำให้สีนี่มีความประณีตขึ้นสมาวาจานั้นไม่ได้เปล่งอะไรไม่ได้พูดอะไรสมากรรนตะไม่ได้ทำทุจริตอะไรสมาชีวะไม่ได้เลี้ยงชีพอะไรในขณะนั้นนั้นคือไม่มีการเลี้ยงชีพอะไรที่ทุจริตก็ต้ตลองว่าทาัทาง้งทั้งทั้งหมดนี่ยเขาก็ประนึกเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่ามักคสามัขีหรือมักคสามังขีคือแปดเนี่ยมรวมเป็นหนึ่งพอรวมเป็นหนึ่งเนี่ยงานที่นำตอนนี้ก็คือสมาธิธกับสมาสังปะหรือธรรมวิจัยแล้วก็สติกับความเพียรก็นำจิตของบุคคลดำเนินไปสู่ ตัวอย่างคือความรู้หรือเรียกว่าสัมมาญาณนะคือความรู้ได้ทางที่ชอบถึ ง, งจุดหนึ่งจิตใจของท่านก็หลุดพ้นเป็นสัมมาวิมุตตสื่อจิตที่หลุดพ้นก็ครอบองค์เป็นสัมมัตตสิทิะการสัมมาญาณ น, นั้นมีฐานะเป็นผลซึ่งมาจากอริยมรรค แต่ก็มีฐานะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นสมาวิมุตตคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสประเภทต่างๆมีชื่อต่างๆติ่ตามปกติแล้วส่งแสดงในรูปของอุปาทานกับอาสวรรคคือจิตหลุดพ้นจากอาสวะรทั้งหลายไม่ถือมัน่นในอุปาทานเรามักจะเจอคําเหล่านี้ นี่ก็แสดงให้เห็นว่า <c oughs> จริงจริงก็เป็นเรื่องของไตรจิขานั่นเองคำวราสัตสรู้ก็คือตื่นจากความหลับด้วยอำนาจของกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานก็กระแทงตลอดอริยสัพท์ทั้งสี่ประการก็อริยสาวบย่อมศัสรูธรรมาสามขีนี้ประการดังกล่าวระธิบายว่า อริยสาวกนั้นท่านเรียกว่าโพธิผู้จัดสรุปที่ชื่อว่าโพธชงเพราะว่าเป็นองค์ธรรมของพระยะผู้จัดสรุนั้นบ้างเราองค์ประกอบแผงเสนาและองค์ประกอบแห่งรถเป็นต้นคระตาอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าที่ชื่อว่าโพธชงเพราะเป็นองค์ประกอบของบุคคลผู้จัดรุป ท่านอธิบายไว้โดยพิสดารในที่แห่งหนึ่งก็คือปฏิสัมพิธามากแต่ว่าองค์ธรรมจริงๆก็คือเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าอธิบายพิสดารมากยิ่งขึง้นทีนี้ท่ตั้งคำถามว่าคำว่าผู้ชงนี้ชื่อว่าผู้ชงพระอัฏฐวักรไดต่อไปที่ชื่อว่าผู้ชง <c oughs> พราะอัฏฐว่าเป็นไปเพื่อการศัตรู ที่ชื่อว่าโพชอชงเปราะว่าย่อมจัสรูที่ชื่อว่าโพชอชงเพราะอัว่าย่อกจัสรูตามที่ชื่อว่าโพชอชงเพราะว่าความจัสรูเฉพาะที่ชื่อว่าโพ่อชงเพราะอัตว่าจัสรูพร้อมก็ต้องลงว่าหลายในญายะเดียวกันนยะแรกก็คือจัศรูจัสรูเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการ ตกผนึกรวมกันของอริมกักเปองแปลประการแล้วเกิดตัวสัมมาญาณหรือความรู้ในทางที่ชอบตอนนี้ท่านกฤษณ์ศาสตร์สรุปทีนี้จะสรุตามนั้นหมายถึงว่าพระรยาสาบกเหล่านั้นไม่ได้ศาสตร์สรุโดยลำพังแต่อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่เรียกให้แตกต่างกันก็เรียกว่าอนุพุท ธ, ธะแปลว่าสัสรุตาม แ, ตแล้วก็ย่อมจัตสรู้เฉพาะคือหมายความว่าแต่ละคนก็จัตสรู้ไม่สามารถจะแบ่งให้ใครกันได้แม้จะฟังธรรมะด้วยกันอย่างพระปัญโยคีรูปต่างองค์ต่างก็ะจัตสรู แต่ว่าอาศัยพระธรรมเทศนาอนัตตลกนสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและย่อมตัดรูพร้อมคือหมายความว่าพร้อมด้วยองค์ธรรมที่นำไปสู่การสัสรู้ก็คือพร้อมด้วยโพชฌงค์หรือริมารมหลวงแป8ประการนั่นเองทีนี้ข้อต่อไปท่านก็ยกตัวอย่าง ของคำว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยแปลว่าการจัดวิจัยวิเคราะห์ตรวจสอบพินิษพิจารณาซึ่งธรรมะหรือเลือกเว้นสัจธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปตามสัจธรรมเหล่านั้นตามสงควรแกะกันนิ มันก็จะไปข้าในยานสามอีกคือหมายความว่ามีการเลือกเฟ้นแล้วก็แยกแยะออกไปดังชัดเจนว่านี้คือทุกนี้คือเหตุเกิดแห่งทุกนี้คือความรับทุกนี้คือข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกแล้วก็เลือกเฟ้นได้ทุกท่าชีที่จะต้องปฏิบัติต่อ อ, อริยสัจทั้งสี่ประการก็คือ ทุกก็ให้กําหนดรู้สมุทัยก็ให้ละนิโรธก็ให้ทามใม้แจ้งมักก็ควรเจริญแล้วก็รู้ด้วยจิตที่มันฝุดขึ้นว่าทุกตนได้กําหนดรู้แล้วสมุทยตนเองก็ได้ละแล้วสมุทัยที่ควรละตนเองก็ได้ละแล้วมักที่ควรเจริญก็ได้เจริญแล้ว เดียวควรทำให้แจ้งก็ไดทำให้แจ้งแล้วมักที่ควรเจริญก็ได้เจริญแล้วมีการให้ความสว่างเป็นกิจมีความไม่หลงงมงายเป็นเครื่องปรากฏนั้นคือท ร, รมาวิจัยตลกลงว่ธรรมาวิจัยก็มีการเลือกเฟ้นเป็นลักษณะมีการให้ความสว่างคื อ, อยานั้น เป็นภารกิจมีความไม่หลงงงง่ายเป็นเครื่องปรากฏคือในขณะนั้นขจัดอวิชชาออกไปจากจิตใจได้ทีนี้ท่านก็อธิบายค า, าวิรยิยะวิริยะเพราะความเป็นสภาวะที่แกร่งกล้าหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นภายในจิต จิตใจจะกล้าหาญไม่ประวัตพรั่นพรึงต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เช่นพระพุทธเจ้าส่งผจนมารก่อนการสัตรู้โดยจะว่ามันก็แสดงออกโดยวิธีการต่างๆและโดยเฉพาะมารในคราวนั้นก็คือเทียวปุตรมาน้ดยมันมาเป็นรูปธรรม ประเด็นตรงนี้ควรจ ะ, ะสาวย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะาสัสรูนั้นได้ทรงทบทวนสมาบัติแปดก็คือรูปฌานสีรูปฌานสี่จนเข้าถึงความสมบูรณ สมุนในระดับที่เคยปฏิบัติในสนักของอุทกดาบทรามาบุตรก็ได้สมาบัติแปดเพราะในขณะนั้นเราจะเห็นว่ามารมีห้าคือหนึ่งขันตมานมานคือเบญจขันเราไม่มีปัญหาที่ตัวเบญจขัน เพราะว่าทรงผ่านการเสวยพระกายาหารมาโดยลําดับจนมาเสวยมัทุปายาตของนางสุชาดาพราะวระกายก็คืนสภาพในช่วงที่รับประทานไ้รับอาหารมัทุปายาตจากนางสุจาดานั้นนางสุจาดามองเห็นพระองค์เป็นเทวดา ทีต้นใส่ซึ่งเสด็จออกมารับพิกรรมที่นางนำมานำมาถวายมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่เรามักเรียนกันแล้วก็พูดกันเพลินไปว่าหลังจากทรงเลิกบําเพ็ญทุกกระยาแล้วเสวยพระกระยาหาร คล้ายๆกับมาสบวยพระกยาหานเฉพาะที่นางสุชาดาถวายถ้าอย่างนั้นไม่ฟื้นออกคือพร่างกายในตอนนั้นมันทรงองค์อย่างไม่ค่อยได้เลยเด็กเลี้ยงแพ้ต้องนำนมมาหยอดพระโอษฐ์แต่ก็ฟื้นขึ้ น, นมาเมื่อตัดสินใจกลับไปเสบวยพระกยาหารก็หมายความว่าทรงเสบวยไปโดยลำดับ ว่าจะมาถึงข้าวมัทุ ป, ปายาติเนี่ยพระวรากายคืนสภาพหมดแล้ววอนตอนเสบยพระกยายหารที่ข้าวมัทุ ป, ปายาตที่นางสุชาดาถวายเนี่ยพระวรากายก็แข็งแรงปกติธรรมดาคืนสภาพเรียบร้อยแล้วอาหารพวกนี้มันไปหนุนช่วยในช่วงจิตประทับสเสบยบิมุติสุขในเจ็ดสัปดาห์ พอส่งปั้นเป็นคำได้สี่สิบเก้าคำอันนี้ก็หล่อเลี้ยงพระองค์ในช่วงนั้นในช่วงเจ็ดสัปดาห์ผลปัญหาเรื่องขันธมารมันก็ไม่มีทีนี้เมื่อได้บรรลุสมาบัตแปดเนี่ยกิเลสมานมันก็สงบไม่จะหมดนะฮะคือสงบสงบด้วยกำลังของชาสต อภิสังขารมานคือบุญบาปมันก็สงบตามกิเลสไปสงบตามกิเลสไปแล้วมรตุมานคือความตายมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้เกิดมรจตุมันมันจงเหลือเทปุตรมาณอย่างเดียวก็คือพยามาราธิราชนั่นแหละวะสวรติมานนั่นแหละ มาะจนพระพุทธเจ้าโดยวิธีการต่า ง, างๆอย่างที่รสวดสรรเสริญกันในบทอะไรละ่ะปางเมื่อพระองค์ปรามาพุทธวิสุทธสันสาสดาสัสรูอนุตรสมาธินโพธิบาลังมานก็ใช้วิธีการหลากหลายมากมายกายกองแต่พระองค์ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวทั้งๆที่ มนันมาเป็นกองทัพเลยแต่พระองค์ก็ประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวบอกว่าเทวดาต่างๆชีมาห้อมล้อมอยู่ก่อนที่จะ ส, สัรุพรูมารมาก็หนีหมดเลยคือกลัวมานหนีหมดแต่ว่าพระ้เจ้าก็ส่งผเชิญมารด้วยลำพังพระองค์โดวยบวุริยานุภาพที่ยิ่งใหญ่คือมีความกล้าหารมีความเด็ดเดี่ยว นี่ก็เป็นเป็นหมายความมาตัววิทยะนั้นเป็นสภาวะที่แก้กล่าและเพราะให้ทำดำเนินไปถูกวิธีวิทยะนั้นมีการประคับประคองจิตเป็นลักษณะมีการอุปถัมภ์จิตเป็นกิตคือประคับประคองความเพียรนความเพียรท่าย่อนความเพียรทาย่อนมันก็จะหนักไปในทางง่วงนอนแล้วก็เกลียดกาน ความเพียนถ้ากล้าไปมากไปมันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านตันมาก็ประคับประคองไม่ให้ตกไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายหย่อนก็คืออัตกิลาปะะไม่ใช่การมัสุกการิการนโยฝ่ายตึงก็คืออัตกิลาปานโย ก, ก็ประคับประคองให้อยู่ตรงกลางไม่หนักไปในด้านซ้ายด้านขวา เหมือนก็ขับรถอ่ะคือประครับประคองเอาไว้ให้ไปส่งๆไม่หนักไปทางซ้ายหรือทางขวามากเกินไปแล้วก็อาการที่ปรากฏเด็ดชัดก็คือไม่มีอาการทออถอยไม่มีอาการข้อถอยเกิดขึ้นภายในจิตใจของปุโรฒตนเองหรือว่ามีการท้อแท้ แดีบางทีก็เรียกว่าลีในะจิตคือจิตมันไม่หดหูจิตไม่หดหูจิตกล้าหาญเชื่อมั่นในตนเองได้สูงทีนี้มันก็ทำหน้าที่ระคับประครองจิตและอุปธรรมจิตเป็นภารกิจละก็ทำให้จิตไม่ท้อถอยท้อแท้ ทีนี้คำว่าปีติเนี่ยโดยเนื้อหาสาระ ก, ก็คือเอิบอิ่มที่มีอยู่ภายในใจบางทีก็เรียกว่าอิ่มปีติคื อ, อยู่วยปีติอาจจะลืมกินลืมนอนไปเลยระยะหนึ่งปีติมีอาการแผ่ไปโดยจิตมัน แผ่ไปแผ่ซ่านไปในทั่วสารพางกายทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันจะเ อ, อื้อิมอย่างที่ออส่งอุ ป, ปมาเหมือนกับคนที่อาบน้ำหรือว่าคนที่ประสบผลสำเร็จอะจิต ใ, ใจมันก็เอื้อิิมแผ่ไปนี่ก็เป็นละะนะักษณะ แล้วก็มีความยินดียินดีในสิ่งที่ตัวเองกําลังประสบถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งที่เราประสบเราก็ไม่เกิดปิติออกนี่ก็เกิดมีความเออบิ่มยินดีในสิ่งที่ตัวเองประสบใจก็เออบิ่มก็มีการเออบิ่มของกายและจิตเป็นกิจ มีการฟูขึ้นของกายและจิตเดนาการที่ปรากฏแก่จิตของคนนั้นนะนะฮะคือคนอื่นก็ไม่เกี่ยวคือพวกนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเท่านั้นเป็นปัจจจตัางคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเท่านั้นวันก่อนนี่ดูรายการเปิดเผยกรรมของกลุ่มลูกศิษย์จงปู่หลอด ว่าเสนานิคมหลวงปู่หลอดเนี่ยผมท่านเป็นธาตุนะฮะรู้สึกว่าศพจะยังไม่ได้เผาแต่เคยเห็นภาพถ่ายผมของท่านโกนไว้ตั้งแต่ก่อนท่านมอณภาพคุณหมอสมพลบุญยคุปติโรงพยาบาลวิชยุต กาก็รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้เป็นกลุ่มของพระอาหารหันต์ในยุครัตนโกสินทร์ของปหลอดก็อยู่อยู่รูปหนึ่งแล้วก็มีท่านผู้หนึ่งเนี่ยท่านได้อภิญญาระดับที่เป็นโลกิยะระลึกชาติได้ที่ท่านเอามาเล่าเนี่ยคือท่านเกิดเป็นงูอยู่ อยู่สามชาติแล้วจากงูนี่เกิดเป็นงวกระทิงอยู่วิชาติหนึ่งนะครับแล้วจากงวกระทิงแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นเยี่ยวอยู่ชาตินึงจากเยี่ยวก็มาเกิดเป็นอะไรอีกเนี่ย รู้สึกจะเกิดเป็นจากเหี่ยวนี่มาเกิดเป็นสุนัข ก, ก่อนมาเกิดเป็นสุนัขเนี่ยท่านบอกว่าปัญหาใหญ่ก็คือเกิดเป็นสุนัขต่อกันถึงห้าชาติถามว่าทำไมเพราะวัติดสุกเกิดตอนเป็นเหี่ยวนี่มันต้องบินต้องสแสวงหาอาหารต้องอะไรต่ออะไรต่างๆในสารพัดเป็นสุนัขบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ ไม่ต้องทํางานทําการอะไรมีอาหารกินแล้วก็นอนกินก็ น, นอนโดยก็ติดสุขปติดสุขมันก็พอใจในความเป็นสุนัขพอใจอยู่ตั้งห้าชาติแล้วในการต่อมาเนี่ยเป็นสุนัขชาติชาติสุดท้ายได้เป็นสุนัขขี้เรือนเจ้าข อ, องก็ไปทิ้ง ไปทิ้งในวัดประสบความเลือดร้อนทุกทรมาร์เงาเศร้าคิดถึงเจ้าของเลยพอดีตอนบ่ายห้าโมงพระท่านทำวัดตัวเองก็ได้ยินเสียงแต่ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรแต่ว่าพอใจเสียงนั้นแล้วก็นอนอยู่ในที่นั้น ทุกครั้งที่พระสวดมนต์ตัวเองก็ไปไปนอนฝั่งอยู่แล้วก็ไม่ไปหาข้าปลาอาหารเพราะว่าคนอื่นเขาเ็าจัดให้มาตลอดอะในที่สุดก็ดตายตายแล้วก็ได้บังเกิดเป็นคนเพราะเหตุว่ายินดีในธรรมะแล้วก็ชาติชาติที่ท่านมาเล่าเนี่ย มันต่อจากชาติที่เกิดเป็นคนครั้งแรกที่เท่าไหร่เนี่ยท่านไม่ได้บอกแต่ก็ประเด็นที่เราสนใจก็คือว่าท่านขอร้องผู้ฟังให้พยายามทำบุญกุศลให้มากให้เชื่อในกฎของกรรมแล้วก็อย่าติดสุขในขณะเดียวกันก็อย่าอยาก มาเกี่าวกัที่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเพราะอยากเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นก็แสดงให้เห็นความสําคัญของอาสันกรรมหรือกรรมเมจูนจะดับเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนภพชาติเลยเนี่ยไอ้ที่ท่านท่านบอกว่าท่านเกิดเป็นโครกระทิงเนี่ยในขณะที่ตัวเองเป็นงูเขียวอยู่เนี่ยเกิดเป็นชอบชอบเป็นโครกระทิงเพราะตัวมันใหญ่ดี ในขณะที่เป็นโครกระทิงก็เกิดไปเห็นเหี่ยวบินก็อยากจะเป็นเหยี่ยวแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นในขณะที่บินอยู่เนี่ยมันก็เห็นสุนัขนอนในขณะที่เหยี่ยวก็มาหาอาหารเห็นสุนัขนอนเอข่างเกยถาดอาหารอยู่หลับสบายหลับพริ้มเลยเออเป็นสุนัขดีกว่าชอบเป็นสุนัข มันเป็นอาการของโมหะกับโลภะ ท, ที่เขาปรุงจิตก่อนจะดับพันพอมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ิิตยินดีในการเป็นมนุษย์แล้วก็ก็คงจะปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หลอดนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่อเรียงเสียงอะไรอร่นงนฮะตัได้ฟังได้ความขเขาทอดหนึ่งความจนจบตัวรายการแล้ว ที่เราเห็นว่ามันก็ประคองจิตอไว้กุศลธรรมที่ตนได้กระทำเนี่ยประคองจิตรักษาจิตเอาไว้ก็ทาให้ท้าก็อยู่ได้ปีติทีนี้ปสัสสธิเนี่ยมันมันเป็นจิตที่สงบสงบแม้แต่ปีตินะฮะปีติก็สงบตามไปสงบความกระวนกระวายของกายและจิต ปัจสถนั้นมีการเข้าไปสงบเป็นลักษณะมีการย่ำยีความกระวนกระวายทางกายและจิตเป็นกิจมีความเยือกเย็นอันเกิดจากความไม่ดิ้นรนแห่งกายและจิตเป็นเครื่องปรากฏนั้นก็คืออาการของปัจสัานิทีนีพ้พอสงบอย่างนั้นมันก็เฉียดสมาธิกาไปแล้ถึงจุดหนึ่งก็เป็นสมาธิ สมาธิก็เพราะตั้งมัน่นอัตะเนื้อหาของเขาก็คือจิตไม่ตั้งมัน่นแล้วก็มีความไม่ฟุ้งั่านเป็นลักษณะปรากฏเกิจิตหรือมีการไม่แสบไปในอารมณ์เป็นลักษณะมีการประมวลมาซึ่งจิตและเจตสิกเป็นกิตเป็นพาลิกิจ ห, หมายความว่าจิตจะต้องรวมประมวลมาทั้งจิตและเจตสิก ให้เป็นอันเดียวกันเจตสิทธิ์ที่เป็นกุศล น, นนะฮะแล้วก็มีความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นอาการที่ปรากฏนั่นก็คือลักษณะของสมาธิแนวนี้ท่านอธิบายไว้แนวพิธรรมนะฮะอธิบายไว้แนวพิธรรมแก่ตามปกติเวลาเทศเวลาแสดงพระพุทธเจ้าเทศก็เหมือนกันแหละไม่อธิบายในลักษณะอย่างนั้นนะ เวล า, าอธิบายแบบอภิธรรมท่านก็อธิบายละเอียดอธิบายลาักษณะละเอียดถึงอัตถะถึงลักษณะถึงกิจถึงรถที่เราเองในสัมผัสตลอดถึงตัวกระตุ้นที่เรียกว่าปัจจุ ป, ปัฏฐานที่เป็นเหตุกายให้มันเกิดอุเบกขาโดยเนื้อหาก็คือความวางเฉย แล้วก็มีลักษณะการพิจารณาเป็นกิตเพราะอุเบกขานั้นที่จริงมันเป็นลักษณะปัญญาคือพวกกลุ่มกองปัญญาเราว่าเพ่งดูเพ่งดูเพก็เพ่งดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นอย่างการเพ่งดูจิตนิ่งอยู่เนี่ยนอกจากสติสัมปชัญญะความเพียรแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดอุเบกขาถ้ามันสงบนะะมันก็เกิดเป็นอุเบกขา แล้วก็เพ่งดูแล้วก็พิจารณาเห็นความเกิดดับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาศัยการเพ่งดูอุปะอิขะแปล ว, ว่าเข้าไปเพ่งดูเพ่งดูอาการที่ปรากฏแก่จิตหรือว่ามีการเป็นไปโดยสม่ำเสมอเป็นลักษณะมีการหักข้ามความหย่อนและความยิ่ง หมายความมาถ้ามากไปหย่อนไปก็นิ่งอยู่ไม่ได้รัวเกินไปมันก็ฟุ้งตกลงว่าการที่จิตของเราไปไม่ค่อยรอดเนี่ยมันก็ไปอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนบางเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยคือนั่งไม่ได้นานเท่าที่ควร เพราะว่าไปต่อสู้กับเวทนาเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดเจ็บเผ่าเกิดเจ็บขาเกิดชาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็หย่อนความเฉียดมันก็หย่อนหรือบางทีเกินไปจนถึงกับจิตมันไปจับที่เวทนาจับเวทนาด้วยความรู้สึกไม่พอใจไม่พอใจในเวทนาเ่านั้น แต่ถ้าเรามีปัญญามีสติมีปัญญามากพอเราก็พลิกกลับเป็นมาดูที่เวทนาเราเวทนาเป็นอารมณ์ใหญ่ของกรรมฐานอย่างหนึ่งเวทนานุปัสนาสติปัฐานเป็นเรื่องใหญ่เราก็ดูสุขทุกข์อุทกกรรมสุขนี่แหละแต่ว่าตาใจไม่แ่งพอมันก็ ในสุดก็ท้อถอยเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงมันก็แสดงมาโดยลำดับโดยเจนว่าวิริยะเนี่ยทำให้ไม่ท้อถอยมีความกล้าหาญต่อสู้เท่าไหรก็เท่ากันอย่างที่ยกตัวอย่างชัดเจนเนี่ยคือตอนที่พระพุทธเจ้าประทับบําเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ต้นประสีมาโภกอนที่จะประทับนั่งพระยาโภประทับนั่งแล้ว ทรงมีมโนปนิธานเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมากว่าใจที่พระองค์ไม่สัตยรู้แม้เลือดเนื้อในกายจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่นางอ็นกระดูกกระดัถากว่าไม่ได้บรรลุหรือไม่ได้สัตรู้ธรรมะแล้วพระองค์ก็จะไม่ลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิอย่างนั้น เราก็เห็นธรรมะพรึบมาเลยทั้งชุดกันแหละเข้ามาทั้งชุดหละมีขันติมีความเพียรมีสติมีการวิจัยทมก็หนุนช่วยกันตามกระแสะของกุศลนะหมายความว่ากุศลข้อหนึ่งเกิดกุศลข้ออื่นก็เกิดตามและก็สนับสนุนเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันมีการปัด ขาดจากการตกไปในฝ่ายและเป็นฝักฝ่ายเป็นจิตอุเบกานั้นจึงอาการที่เราปรากฏในชีวิตของเราที่เราทำได้นะคือว่าจะต้องมายินดียินได้หรือมีความรักความสั่งโดยเฉพาะอาคติรักสั่งนี่นะอักติรักสั่งเพราะทําให้อย่างนั้นแล้วจิตมันจะไม่หนิง พอคนที่เรารักมีปัญหาเราก็คิดจะปกป้องพอคนที่เราช่างมีปัญหาเราคิดที่จะซ้อมเติมไอ้ที่เราแก้ไม่ตกอยู่เนี่ยปัญหาต่างๆในสังคมโลกก็เพราะอย่างเงี้ยรักช่างยินดียินร้ายเนี่ยแล้วก็มีการวางตนเป็นกลางเด่นชัดมัธยัสอยู่ตรงกลางไม่แกว่ง ไปส้ายไปกวาแต่ประการใดนี่ก็เป็นอาการของอุเบกขาแล้วก็ท่านกอธิบายมาถึงจุดหนึ่งท่านก็บอกว่าพึงทราบบีเนฉัยในบทที่เหลือทั้งโดยอัฏฐะและโดยลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ คือหมายความว่าเอามาอธิบายเพียงแต่ว่าให้เป็นตัวอย่างให้ดูให้เข้าใจถึงอัตถะถึงลักษณะถึงจิตแล้วก็ถึงอาการที่ปรากฏของธรรมะเวลาก็เกิดขึ้นภายในจิตใจอธิบายโดยนัยยะที่สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์แต่ว่า เป็นเรื่องของอัตตกถาคือจะอธิบายหมดมันก็ไม่ได้เรื่องมันจะเยอะไปนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเออเพราะจงเจตประการที่จริงเราก็สวดเราก็รู้กันมาแต่หนาแล้วแต่ว่าโอกาสที่เราจะทำให้สมบูรณ์สักข้อเนี่ยทำได้ยากเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาภูเขาคือสติ ที่เราจะอยู่ได้อย่างมีสติเป็นสติมานี่อยาจะยากธรรมาวิจยะมันมันจะหนักไปความชอบกับความชังเสียก่อนคือวิจัยไม่ทันแล้วก็วิริยะเองเนี่ยมันจะย่อหย่อนหนักไปทางย่อหย่อนมากกว่าตึงเครียด คือหมายความว่าจะหนักไปในทางกรรมสุขการนิการยก ม, ม, ม, มันถนอมตัวกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อเมื่อยกลัวเหนื่อยอะไรสารพัดธรธรมดามนุษย์จะเป็นพระหรือเป็นโยมก็คือคนเนี่ยเพรา ะ, ะเราย่อหย่อนตรงนี้ที่เราไปไดย้ยากดังนั้นดูนยะยัตาธิบายต่างๆที่ทรงอธิบาย หรือว่าที่พระอาจารย์มาอธิบายเพิ่มเติมขยายความออกไปเนี่ยแต่ละข้อจะต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรสูงแม้เพราะธรรมะสามประการ น, นี้ที่ส่งแสดงว่าเราเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สสรู้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วแลวอยูย่จำเป็นจะต้องมี